นามูะตะภะคะวะโตอะระหาโตธรรมะมทะนมูตะตะภะคะวะโตอะระหาโตธรรมาสรมปะทะนมูตะตะภะคะวะโตอะระหาโตธรรมะธรมปะทะสังธรรมังสังธรรมะานโอกาสที่ต่อไป อขอผู้บริจาคทั้งหลายยงประกันสั่งใจฟั่งธรรมต่อไปวันนี้เป็นวันธรรมชาอืมเป็นวันอันศีบคว่วนผู้บริจัทเราทั้งหลายมาศึกษาอธรรมะให้หนี้ติดปัญญาออตามการตามสมัยอ่าฉะนั้นการอธิบายธรรมการในการพูดธรรมะขวกเราทั้งหลายก่อ เคย enfin, <acji> ได้มินงได้ฟังมานานการทำกันทุกวันธรรมสวนาการไหวพระการธรรมชานศีลทุกจริงทุกอย่างให้พระกันถือว่าเป็นวิธีการให้พระกันสขใจเป็นหลักการเป็นวิธีการเฉยๆเป็นตัวหน้าการธรรมชานศีลอย่างนี้เป็นต้น พระประกาศศิลโยมกว่าสั่งใจสมท่านศิลอันนี้ให้เข้าใจอย่าหลงพาผู้ตามเนื้อแท้จริงๆนันศิลนั่นเป็นของที่เอาให้กันบรวได้ญาติเอาแย่งเอาบัวได้ให้อื้นบ่เป็นตามภาษาบ้านนอกเข้าและยินเยวพระผู้ให้ศิล เข้าแล้วก็กันสลับเอาศีลอันนี้เป็นภาษาบันนอกเข้าเว้ากันมากแล้วมันขางแฉมอยู่เอเป็นเสื่อโลกยิดตอมัสตรอดทุกวันถ้าหากว่าเราทั้งหลายเข้าใจจังสันก็ น, นึกว่าสีมาเอาศีลนัมพระอยู่ทุวันสนะพระสีโบไฮศีลเกิดสีโบมีเล่าสีโบเคยหรือศีลออันนี้เป็นคาโคตรที่ เข้าใจกันว่าเป็นบรรพบุรูษุนหลงมากโชคล่องยาทย่อมแล้วทั้งหลายโดยมากก่อว่างฆระอืมว่างฆระโบเสีอมันในเจ้าของอืมอุณหบูตรหลานจอมากตัดสั่งใจมาเอาศิลปน้ำพระพระคนนึงว่าหายศิลย่อมอันคว้านจริงมันโมเป็นอย่างสั่นเดืองจริงจิงมันศิลนี่บมเป็นของเอาหายผู้ไรเอาหากันโมเป็น อเอาให้คนไรโบได้แกเมื่อทุกขังทุกข้าวการสร้างน้ำท่ำบุญมิจิธรการต่างๆเขากับเอารักนี่ ม, มาว่ากันไปตื่นๆหรอกนะขึ้เป็นจริงศิลือศิลนมันอยู่กระเจียตแต่หน้าของบุคคลผู้วไรเจียตแต่หน้างดเวีนจากท่ำวาปทั้งกายทั้งว่าจาล้วมันก็เกิดจริงึังมากอฐาน ร, รู้จัก สมาทานโดยตอนเองก็ได้สมาทานกับผู้อื่นก็ได้เร่าระลึกได้ด้วยตนเองก็เป็นเราบูรุษยักษให้ผู้อื่นบอกก็ได้มันเปนเดือยอื่นใจเออฉ น, น, นั้นชิ้นทําทำๆอเออเท่าอยากใดดี ล, ละอะไรนี่มันก็มีดีลานั่นคือกันกับร่มอ่าอยู่ในทองอสานเหนืนเอเท่าจะไปสืบร่วมหายใจขบวนไหนไปมีรุ่มขบไปได้ ควบดีควมตัวทั้งหลายคือกันควบดีสิไปทําอยู่บนไหนก็ได้ทําอยู่มากข้นก็่าไรน้อยคน้นเลยทําอยู่ผู้เดียวก็เป็นควมตัวคือกันถ้ำยินได้หลายข้นก็่าไรผู้เดียวก็ได้อยู่สีรับก็่าไรอยู่สีแจงก็ได้อืมันเป็นเรื่องของยืนกันของที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วออแต่ว่าสีมันเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายค้นให้หนี้ คันพ้นมมีศิลมันกดเป็นศัตว์มแมงซื้อศาสตร์ต์ที่ระสานเนี่ยศาสตร์แมขันโตลวงมันเป็นศสตร์มันกับโมีบาปที่บุญเนี่ยมันโมมีขวอมองจักอย่างเล่ขคือแม่เนี่ยสิมันจะกูบหนูกินเนี่สมันก็บโบาปพอมันโมหุจักบาปมันโมหุจักบุญโมู้จักชีตโมูุจักถือ พวกนั้นอยู่นอกอยู่นอกมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานพรศาสน า, าวะจักรย์ยังพวกยกไหวเป็นไปตามกรรมของจักร์ทั้งหลายตัวนั้นผู้ที่รู้จักคิดดูจักถือดูจักวาปรู้จักบุญคือมนุษย์พระพุทธเจ้าถึงทิ้งว่างเลยธรรมะเผื่อมนุษย์ฆ่ามนุษย์เล่าทั้งหลายนี่ เป็นภูต่วโมีศีลวโมีธรรมมะเกลอนสัจแทนมันจึงพุนเป็นพุ น, น, น, พ น, น, พนศึกษาที่เราเป็นมนุษย์ไหนี้สมบัติุนมนุษย์ไหวไอมันเตรียมทีของมันธรรมะอันดุรัยาค์ก็คือขันสอนให้มีศีลขันมีศีลเน้อกับขันสอนให้มีธรรมให้หึงจกากธรรม ชินคือขอหามทั้งหลายและขออนุญาตทั้งหลายที่ถูกต้องเรียวกว่าชินธรรมะเรียวกว่าธรรมก็คือธรรมชาติทั้งหลายให้มนุษย์เราทั้งหลายรู้จักธรรมชาติคือมันเป็นไปตามเรื่องของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติคือเฮ้าสีแดงมันโมลัยมันเป็นไปตามสภาของมันเรียวกว่าธรรมชาติที่เราเกิดมาเดี๋วก็เห็นอื ธรรมชาติมันเป็นเองขุดงอ่างยๆยางศาสต์ชนิดนึงเกิดขึ้นมว่อยางนกยุ่งนีน่คืหละมันสีนี่ไล่สีเขียวสีดําสีแดงสีทุกสีทุกอย่างอันสิดพลเราบริโตกแกงมาเลยเนี่ยธรรมชาติมันเกิดขึ้นว่ามันเป็นมีชื่อของธรรมชาติงอกเปอย่างแกงนิ ห, หน่อยมันเป็นอย่างจัน ธรรมชาติทุกอย่างทั้งหลายเรานี่แหละมันจะเป็นอย่านโลกอันนี้โลกวิสัยอันนี้เป็ น, น, นอย่านโลกอย่างพระพุทธเจ้าของเรามาแสดงธรรมะให้พวกเราทั้งหลายรู้จักธรรมชาติอรู้จักธรรมชาติตอนกรปลอยธรรมชาติอันนั้นให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของภายนอก ที่นี่เรื่องเป็นหน้ามาช่องเือคิตใจปล่อยตามธรรมชาติได้กับไม่ได้เรื่องจิตใจปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้จ้องฟรรึกขัดคือต้องฝึกขัดในที่สุด ก, ก็คือคิดใจนี่เป็นครูเป็นอาจารย์ของวาจาและของกายทั้งหลายทาัง้งปวงตัวนี้ตสองฟรรึกขัดปล่อยตามธรรมชาติเได้เลยเมื่อคืนคือสัตว์ อื่ต้องฝึกขัดให้รู้จักธรรมะและให้รู้จักธรรมชาติอืมบ่ อ, ย, อยตามธรรมชาติอันนันให้ฝึกธรรมชาติอ น, นันต์ยังคิตใหญเราเกิดเึ็นว่าเล่าเกิดเึ็นว่าคิดใหญ่คนทุกคนสองนี้โลกสองนีโง้โลกสองนี้โล่งก็เป็นธรรมดาธรรมาโลกก็คือข่วมอยากไะไรดิ้ดนร่นก็ ว, กว่อนก็ไหมธรรมชาติมันเป็นอย่งางนั้น ถ้าสี่อยไปตามเดืองมันในกระโบไรได้บบไดีไปดีเอี เ, เอดือนดอชนี่ละ่ะนี่หีือว่าฝึกหัดในธรรมะมากฝึกหัดในคั้มจริงอย่างขว้วโกจธจริงมันจะนนมันจะโกรธจะหายตัวใส่ห้านี่ขนณะมันเป็นว่าจะโจกรธมันวาจะคาพร้อมปีพร้อมคนละแก่บ่อยปอยตามธรรมชาติมันหเห็นธรรมชาติมว่ามันเป็นยังไงให้สอนธรรมะให้มัน อืมียังไงศึกษาธรรมะข้อมหลงทั้งหลายก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วมันกระหลงสี่อยตามภาษาของมันมันกระหลงเลบุลูเรื่องอืนั่นถ้านั่นกันจึงใหลู่จากธรรมชาติไหสอนธรรมชาติไหรัดแปงธรรมชาติและไหลู่เศ่าตามธรรมชาติอันนี้อืเตม็มจนว่ามนุษย์เกิดขึ้นหน้าถุกทิ้งทุกอย่าง ทั้งรูปเลยหน้ามันนี่แหละมันก็เกิดเป็นเบื้องต้นมันก็แปรไปในธรรมกลางมันก็สิรบไปในเบื้องปลายที่ทุดข์องมันอันนี้เป็นธรรมดาด้วยธรรมชาติของมันมีข้าวสิไปเปลี่ยนเปลี่ยปลี่ยนรัดมันจนเกินไปกับอะไรแต่อันนั้มันถึงข้าวถึงสมัยมันก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันถึอมันคนเม่ไรแต่มันเดือวิสัย ธรรมะทั้งหลายที่พระศาสนาตรองการนะเมื่อเรามีชีวิตยอยู่นี่แหละพูดในถูกต้องท่ามในถูกต้องนึกคิดในถูกต้องอืมเพื่อหากว่าสอนคิดของคนทั้งหลาย่เพื่อว่าให้ลุมหลงในธรรมชาติอ น, นันอืมในธรรมชาติอ น, นันตในสมมุดอั น, นันในบรญญัติอนันต์ธรรมาที่พระศาสนาส น, า ส, นาสอน ท่นสอนให้เห็นโลกเป็นคำสอนสีนอกโลกไงโลกเกิดมาในโลกสอนให้รู้จักอยู่เหนือโลกอืมให้ถูกโลกบังคับอืมไม่ถูกโลกบังคับคือกันครับเ็ดยิ่นกินลาเห่าเมนส์จเอาสมเอาโคน่นเพาะน่ะหุ่มอยูก่กับจางมันแต่ว่ามันหมดทำลายสีทําลายแสงของมันหมดทาลายราคาของมัน ถึงแม้ว่าโครนมันสิดติดอยู่กับต่างมันแต่ว่าเพชรนิ่งจินดาสี่ถูกโครนนั้นหุ่มอยู่หนึ่งหมดเสียแสงบมดเสียสีนี่หมดเสียราคามันเป็นอยู่คือเกานี่มันอยู่คนในย่างเพราะฉะนั้นภาษาสดาสั่งสอนหอาย่เหนือโลกคือให้ดูแจ้งโลกอายุเหนือโลกโลกได้ที่นี่หันโมเดลหมายถึงเอาดินฝ่าอากาศอันใด ท่านหมายเอาถึงโลกทั้งจิตใจวัฏฏะสวงสารด้านจิตใจของคนอืมท่านหมายเอาตัววัฏฏะอันนี้ท่านหมายถึงโลกอันนี้ที่พระศาสนารูดแจ้งข้า ม, มารูดแจ้งโลกอันนี้คือท่านรูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รูดแจ้งโลกอันนี้พระพุทธเจ้าจะต้องดินไปวัฏฏุบอลหมอบให้มันดูแจ้งในสันโมเป็นแจ้งสัน้นเือจุดเดียว ข้ามมาทั้งหลายก็คื้นุดอันเดียวคือการรกค้นทุกๆคนค น, นี่ผู้หญิงผู้ชายเออ้ามาเรียนผู้ชายผู้นึงเรียนผู้หญิงผู้หนึงน่งให้ลู่เท่านั้นละ่ะลูค่ค้นค้นเดียวเท่านั้นละ่ะมันก็นลู่คนทั้งจกักรวาลคือมันบริเ ป, ปลีกยนกันอยังนี่หรือมาเรียนดูค่วมร่อนค่วมร่อนเมื่อลู่จุดเดียวคือค่วมร่อนมันเป็นอย่างนี้ มันจะเกิดมาจากไดกระสางมันคืออาการมันรอดมันเป็นอย่างนี้มาลู่ยุดอันเดียวคือความรอดนะนี้ความรอนอยู่วันไหนนี่ยจักล่าวหนีมันก็คือการยังติดทันรู่ยุดเดียวก็คือทันดูรอบโลกหรือเรามารู่ความเย็นความเย็นชนิดใดกระสางอาการหินมันเป็นอย่างนี้ถ้าไปพบความเย็นอยู่บนเดียวตนหนึ่งเป็นตนก็คือการทันพบรอบลรานรอบโลก ไอ้ความเห็นต่างๆมันก็คือกันเรื่องมันเป็นยังไงที่พระศาสนาสอนจุดเดียวอืให้โลกอยู่ในโลกท่านเพียงดูแย่งโลกสภาวะโลกคือการตระหนูแจ้งมนุษย์อแค่นีแหละมนุษย์เป็นอย่างไรผู้ชายอย่างไรผู้หญิงเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของสัตว์โลกมีนเป็นอย่างไรท่านหูจักยังไงหลู่ในจุดเดียวสัตว์ประดูมันตกจุดที่ชั้นไหนที่นี่ ธรรมะนี่คือการพระศาสนาสอนเหตุปรมีข่วมผลทุกข์ข่วมผลทุกข์กันเหตุยังไงเนะาะค่วมผลทุกข์กันเพื่อให้มาศึกษาค่วมรู้ศึกในจิตใจของเจ้าของอันเดียวเพราะนั่นแหะมันเปลี่ยนโไในถามมันเปลี่ยนได้เนาะกัผลทุกข์เปลี่ยนเนาอันเดียวเปลี่ยนค่วมรู้ศึกเปลี่ยนค่วมรู้ศึก ใครมืม่อีคข่วมรู้สึกไหมเมืม่อนีคข่วมเข่าใจไห ม, มนั่นผ่านี้ข่วมเข่าใจไหมมีคข่วมรู้สึกไหมมันก็ะผลจากค่วมรู้สึกอันเกา่าตัวธรรมะแท้ๆคือภาษาศาสนาทันสอนทันบริสอนไปไกลทันสอนต น, นสอนต น, น, นสอนอัตตาอันมิใสตนกับสอนตนเท่านี้ ทุกจริงทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสันสอนไว้ในตันว่าอันนั้นไม่เสดตัวไม่เสดตนไม่เส่เล่าไม่เสดเขาไม่เส่ของของเราจี่งจเป็นต้นที่นี่เมื่อข้นท่ามันจะทุกตัวนั่นปกคือมันอ่านธรรมะมีบุญหันออกแปลธรรมะมีบุญหันออกกายังเป็นเรว่าอันนั่นเป็นตนอันนั้นเป็นตัวอันนั้นเป็นของของตนย่างไปหม่นไปไม้ยูงดาสาแหลก นี่ขายั่งไปมันไปไม้มันก็นกนยังบุคคลคายออกขาเราไปมันไปไม้ต่อเนี่ยมันแห้งคืดเดียวทนหมุนต่อไปมันแห้งเหนี่นแห้งจริงแห้งเหน่ยนถ้าเรารู้จักว่านี่ใช่ตนตามจริงๆริงจิตประสาทสตางค์สอนเป็นนันตตาแล้วทั้งกายใใและใจเราคอยพิจารณาไปเรื่อยๆมันสะเห็นเนเ่ยเห็นสภาพที่ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆสภาพที่ว่าเป็นเล่าเป็นเขาจริงๆ อืทุกนี่กับสักวัเจะทุกมิถานานี่กัสักวันจะมิถาสัญญากัสักวันจะสัญญาสังขารนี่กัสักวัเจเป็นของสักว่ทุกกับสักวันจะทุกทุกกับสักวัเจทุกดีกัสักวัเจดีตัวกัสักวันจตัวยังกับพุ๊เป็นแต่พ่อเที่ยงสักว่าเม่อเป็นทุกอีิรีเดี๋ยวเมื่อเป็นทุกอิรี อืเป็นของสักว่าสิสิสักเจอมันถุกสักเจอมันถุกสักเจอมันหล่นสักเจอมันหนาวสักเจอสักพวกคนให้เจอเพราเห็นเจอเพระเพี้ยนเป็นสักว่าสักว่าดินสักว่าน้ำสักว่าไฟสักว่าลมห้ามอ่านอยู่เรื่อยๆที่จะหน้าอยู่แล้วค้อมรู้ซึ่งมันจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากค้อมเห็นว่าตน ว่าตัวหรือว่าของของตนอย่างเนียแน่เข้าไปนั่นก็ค่อยใช่ออกมาใช่ออกมาเมื่อมันใช่ออกมาเมือมใช่ออกมาจะมีความ้ืึกเตยนออกมาสุกที่สุกที่ความวตมา Thursday, ื่นเต ม, มากขึ้นมากขึ้นคันนี้ความตื่นเตมากขึ้นบาดีห้ากระิใส่ใส่ลูกใส่หลานใส่ซับย์สมมัดใส่ลาบใส่ยศแต่เมื่อว่าห้าวใส่เสือใส่ผาใส่กางเกง มันใหม่ๆเข้ามาใส่เหนื่อยมันจุบกระโปงเข้ากระฟอกมันไปนา่นมือนา่นเดือนไปเป็นต้นมัน่งกับเท้าเข้าประเทศไปถีบไปเป็นธรรมดากระใส่ห้องไม่เรื่อยไปห้องเก่ากท็ทายถอดไปเป็นธรรมดามันที่นี่ดูซื้อก็ปนีเจ็บบริบรหองนะมันเจ็บดริหายนะมันเจ็บบริทุกนะมันเจ็บบริยากนะมันกับของกันเกา่านั่นแหละแต่นี่ขั้วมระตูซื้อใหม่เปียนใหม่รู้ใหม่ รู้นริงเห็นจริงในท้ำสี่คนรูคนเห็นพระพุทธเจ้าสอนถ้ำมะถ้ำสี่คนรูคนเห็นถ้ำสี่คนหูคนเห็นอยู่ใสมันก็อยู่น้าเห่านี่แล้วกายเห้านี่ดิใจเห้านี่ดิอันนี้อยู่นี่แล้วอันมันค้นรูไรก้นเห็นไรเป็นต้นว่าไอ้พวกเล่าทั้งหลายเกิดมาในม้วนมูมนุษย์ทั้งหลาย เคยได้ของมาก็เคยเสียของเงินไปเนี่ยก็เคยพักกันเห็นคนเกิดก็เคยเห็นคนแก่ก็เคยเห็นคนตายจะเห็นนิจจันทเนี่ยเา ม, มันเห็นบคจะเชือนเกิดเพราดหัวผู้นัน้นตายพระ า, าะไ้ําผู้นั้นพเศร้าเจืเือนมันจะเป็นนิจันนนั้นแล้วเากังวอยู่พวเศร้าเจือเรียม่นมเห็นเกด ก็โง่เห็นใจก็งุ่บี้ก็งูอยู่บ่เท่าจะคืออไให้มาสิดเนโ้ลงม้วนอ่แล้วมันเป็นธรรมดาจริงท่ที่น่าท่ำท่ำจีข่วรลูกท่ำจีค่วนเห็นควรหูไหนควรเห็นไหนมันเป็นอยู่ซู่มือนี่แล้วเฮาให้ฝักการสั่งใจไว้ให้ฝักการสั่งว่นไว้ให้ฝักการสังรวมไว้ทุกทิ้งทุกอย่างเป็นใจเมื่อเราไมีชีิตอยู่ ย่าพึ่งย่านใช่มาตายเออย่าพึ่งย่านย่านมาตายย่านย่านนรกย่านมาตายย่านตกนรกย่านมาตายย่านชิประยานบัดยังสั้นย่านบัดมั่นขี้ถ้ำคนคิดว่าเรามีชีวิตอยู่นี่มันอันเท่าอะไรมันมันเป็นอันไม่หรอกเท่าบางคนมีที่อยู่ในบงจักเกี่ยวของเลยเออเงาจะเหตุอไปหรอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ ตายเดี๋ยวพจัเดียวมันจะเกินี้ยงอกมาเวพวกิดลาพระนีย์ไทปอสมื่อนี้ปอปีนี้เอาไปตัดเอาปแ่นำขายกินเนี้ยฝัดอเน่ยมันไนะเอนสามเี่อเนมันายอดอีกเกิดเป็นำปอกรี่แล้วีว่าปอไม่เรียว่าปอเก่าใคว่าเันว่าปอเก่าดีมันไปหรอขายกิน้ มันว่าพอไม่เป็นอันไหนมาจากปอเก่าที่ว่าจะหลายมุนที่เอิดปอไมเอิดปอเก่านั่นขันนี้มันมีเนื้อที่ไหนมันจะเดียวนี้มันก็มีไปเนื้อมะก็ค้นฟูกเก่านั่นแหละมุ่นเยี่ยมประยานอันนั่นเดี๋ยวให้ชี้เจรณนาะอันในดจิตใจแล้วมีพวกอุปทานมันหมายมากๆากนหันดาบห้าสิโซกหลาย มันท่าสิทุกร้ายมโนหันท่าสิยาก้ายมหันนาบนเป็นมัญหาใหญ่ที่สุดมโเท่าหักบนไดลนี่ยแพงมโนนีน้ได้ห่วงนนมโนน้มากมากันนักเป็นมโนหาใหญ่ที่สุดให้เขาแยกแกะทิงหมดแล้วี่ทีเดียวี่เอามาอ่านมึงนี่ด้วยเอามาอ่านมาแกมาแปแบงมาแปแบงอันไดเมื่อเรายังอยู่น้กากันนั่น อีกมือหนึ่งมันสิจา ก, กันอย่าอยู่คือไว่ภาวนาไถเอาค่วงแยกค่วงแบงค่วมจากควมพัดผ่า ก, กันมาพิจารณาในปัจจุบันนี้จนให้มันชมีช้ำนาาจนให้มันเห็นหมดเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมราของมันเนี่ยมันสิเกิดห่วงเกิอดอะไรก็ให้มีปัญญาดูเท่าค่วมห้วงความอะไรอันนั้น อืว่าตามค้อนเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นถาเรามานึกแต่อย่างนี้คิดแต่อย่างนี้ฟันญ่าห้าสิบเกิดอืมแต่ว่าคนเล่าว่าอยากที่เจริญาความทุกเกิดเมื่อไรนั่นแล้วฟัญญ่าเกิดเมื่อนั่นแล้วชนะทีนน่เจริญนาเลยอืมควมทุกเกิดบันไหน หันแนวปัญญาเกิดบนหันแนวความดีกเกิดบนไหนแต่ปัญญาเกิดบนหันความถูกเกิดอยู่บนไหนแต่ปัญญาเกิดอยู่หันคันดูเศร้าชิงทั้งหลายเหล่านี้แล้วเออมันกระดูธรรมะขันดูธรรมะมันกระดูแจ้งโรดขันดูแจงโด ก, กระดูธรรมะความใจจิงพ้นเห้านะ่ะขันว่าชอบใจแล้ว่าอยากคิดนะว่อยากบึงนะขันสั่งนะ่ การสร้างข้นก็ว่าจะขึ้นหอดหนามขุนละว่าจะเปรี้ยงไก่ว่าจะปวยหอดเลื่อนมันขนไปทางนั้นหอดม้ามันมากกระว่าจะปวงมีเจมันสร้างหลายอันหนึ่งคือคนตัวอันหนึ่งคือคนโง้อแต่โมนี่สอบใจดีใจถูกใจแห้งไปแล้วบนหันมันม้วนอันนะกรคือคนโง้คือกันแล้วมันพ่อันกันตัวไปว่าสืบพ่อคนไหนอืมันพ่อันกันทันแล้ว เพามนามือหลังม right. ือห <Yeah. S 1> like um ันแล้วกันเที่งขึ้นกับหนามือมันกับบางหลังมือปรไว้กันง่วงลงหนามือมันหลังมือกับบางหนามือปรไว้ทุกบางทุกทุกบางทุกคิดบางถุกถูกวางคิดมันมันอยู่ในสันแนลคนดูบตัวถึงแลหายท่ำมันเลยใช้หายมันแล้วแต่เมื่อแต่เมื่อเมื่อแล้วม่ชีวิตจริอท่ำมันมันแล้วแบงสระอันนันเนในสันอนันเรื่องสีแบงมันใช้มันแล้ว ให้มันสวายเฮาถึงข้าวมันมากเขิ่ยกให้มันโดดดอกเวยแบงไว้ยล้วยกเป็นส่วนเป็นส่วนอย s <S anyway. ่เดียวนี่ยกไหวมันฝันมันแบงเจ้งว่าพระโพิเจ้าคนให้สอนนั่นแหละเจ้าโน้มนสาตาันตาตาโชให้แบงไหได้มากอืคนูแจงแบงเอาใจร่วมเพไหวบริเลียออกคเื้อนมีเาบ้หนจกันแค่เือนี่นาวางเรไหวเค็ดเพไวเราเพไหวได้มาก บนเพื่อไหวทองเพื่อไหวเพ่งเพื่อไหวที่หน้าไหวจะเรื่นี้มังม่วงมาอจะเรื่นองนิจังจะเรื่องทุกขังจะเรื่องนาจาจะเรืนอเพื่อไหวเออเม้นจค่นีมันก็พอฟังต่อเขาเราจะเรื่องเน้นเรเลี่ยนแ้งเลวจ้าฟันฟันเป็นชวนไปเต้นไปแค่พอออกมาออกเข้าเจ้นแบ้เไงเลยเหวนมันหูในปัจจุบันเตะไปจ้นั่นนี่คือขวอมูอหเหนือโลกควมคือคนที่มันชิดโลก ขันบนนี่มันจะสิตปวดมันจะเจโดกันล่ะอันนี้มานทำล่ายโลกพีうう่หน้านอกโลกใจมันอยู่นอกโลกใจมันอยู่เหนือโลกช่างๆเขาอยู่ในโลกนี่ล่ะแต่ก็เห็นให้อยู่เหนือโลกน่ะสั่งควมชัวสั่งควมดีละควมชัวอะไรแบบว่าพรีบัตควมดีไอเมื่อไหควมดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใจควมดีหายอยู่เหนือควมดี ขันยื้อต้ขมดีมันก็เป็นขาดของ้อมดียอะยากมีแรงมันก็ดีน้ำตาบ้านเวิดดอกขันนั่งยื่อไต้ข้อมดีน่ะได้ดีมนสร้างมันันมาอยู่ใไต้ค้อมดีเลยเป็นขาดมันทเขาหนักกว่านดน้ำตาเราันอยู่เนื้อควอมดีนั่นน้ำตาบ่มีแห้งัดเวิดได้นั่นอ้ไสมันจะกันอย่าให้มันใส่ห้านี่ล่ะ ถ้ามหิพัสสธาดาันสอนย่อๆยังสิซื้อให้มันเปลี่ยนขั้วมันู้จึกไหมจ๊ะไม่จะเปลี่ยนได้อยู่กับเบื้องที่เดีวมันเป็นอยู่หันเลยมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันผ่านาจากลงให้เบื้องยืนว่าให้ไปเบื้องยินฝ่าอากาศตรงันถ้ามัน้นดูก้นเห็นมันก็เห็นน้ำเล้งอยู่เมออนตัวเืียว่าอี่ยเกิดว่าอะไรสะากันหัวตายก็สะท้อนหยอยู่เพราะมันอะ ควอนตีห er. ูได้เห็นในในชีวิตนี่ยังบูพักันหูยังบ่พกันเห็นแต่มันจมอยู่ในทีในยากรของใครเน่เว้ยมันตรมีอยู่ทมือนี่มือนี่กับสีนีอมันมิ่งอยู่ทมือหัวอันนี้พวัตถ่ำข้อนู่ขนเห็นพรศาสนาโบแสดงขมาบแสดงหอดฝ่ายน่าฝ่ายนาทเวลาอาักข้นยอมหยายงหอกแสดงเห็นถ้ำจี้นหู้อนเห็นมันหนาสีเห็นได้มันนาสีหูได้ส่วนทางนอกแต่เป็นมีสั ส่วนข้างนาในเขาคือการร่างกายเาคือกันนี่ <c oughs> สาโลมานาาท่านตาต า, า, าโจนี่เลยมันจะเห็นได้ยงัี่ตัวเศรษฐวก็สิใหญ่สีนี่ว่าก็สี่อยอีกตัวผมก็จะทนงอปวดเศครนท่ทางงอเม่อย่างสีตัวมืนั่งยนไม่เปสีตัวจะเห็นยู่ตัวละมืที่่เห็นตัวหูยี่สิบตัวหูอะไรย่สิบตัวหูเห็นไดไยู่ตัวนัว น, วว น, น, วนว่าสสิสีเจริน้าละท่านะานั่งมาบิาเมื่อเสียงว่าสีเรนะิหน้าอยู่เห็น เห็นแค่แค่แต่พระพุทธเจ้าคิดว่าเคนจังโขกุยคนเห็นว่าเราเห็นไข่เลี่ยโสร้างโกแต่หลายมื่นหลายแสนเนี่ยทันท้นใจบึงแต่ะกเป็นอย่างนั่มันเป็นยงไรเนีน่ยธรรม ะ, ะมันเป็นอย่านไรอยู่ในโลกนี่ละ่ะในหูยักโลกอันนี้อยู่ในโลกหูยักโลกอันนี้ยอยู่ใจโลกอันนี้อยู่ในโลกนี้ เอาคาาาวามอยู่ในโลกนี้ศาสนาจันว่าโลกกวิธีเป็นพื้นทแจ่งโลกอยู่ในโลกกับวิตโลกอยู่ในความพักกับวิถีความพักอยู่ในความสร้างกับวิถ่ความสร้างอยู่ในโลกกบิถโลกเอามาวาวอะไรเอามาวาไลไรบอกธรรมดาว่าธรรมดาเข้าเนี้ยนั่นพร ะ, นะพนสวันค์เดินตัวข้อบอกเป็นเป็นอาสาโยว่าข่อยว่าเจ้าของข่อยของเจ้าอย ใจแห่งเป็นอนัตตายุวะเศร้าจีวะเช่ไนไรล่ะเอามาวอาน้ำเล็กน้อยมวลหนึ่งมวลหนึ่งเอาบอกก็ผุนนยไห้เอาเหลืองผูยไห้ไปบอกก็เนนก บ, บี้ยหน่อยเอาเหลืองเบี้น่ อ, อยไปบอกก็ผุยไห้ส้วมตัวกันแล้วบางคนจับล่ะนั่นจมูกนี่จใสของเรื่องมาใสกันใสได้ของคอยของเจ้าของฟูของมึงก็งงงว่าได้อยู่แต่ว่าดานันทายนีิดใหเพรานคือธรรมะเป็นอนัตตาแห่งนิรักยังสั้น เอายังเป็นหลักคนละเอาทธรรมะเป็นหลักการประพฤติปฏิวัติในโลกเอายังเป็นหลักเอาเจ้าของเป็นหลักบุโมแม่เอาทธรรมะเป็นหลักถ้าน้อยเจ้าของเป็นหลักมันแต่เละมากเจ้าของเท่านั้นเดีวถ้าเอาผู้อื่นเป็นหลักก็แต้มากผู้อื่นเท่านั้นตัวมักเข้าเนยมักผู้อื่นเนยมันมัเป็นธรรมะธรรมะมันบ่ไปน้าไผ่มันไปควบสิงของมันอยงกัน ไปสี่ไห้ก็ะบบโฮซาไปสิ่หักระบบโฮซาเนี่สันกระบบเป็นธรรมะสันกระบบเป็นก้นจริงแล้วเขามาพิจิณ่าเข้ามาดูเท่าริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันก็ถูกต้องอยู่ก็ถูกต้องนึกคิดก็ถูกต้องไปมากก็ถูกต้องการอยู่การไปก็ถูกต้องมันก็ถูกต้องอยู่เลยแล้วก็ข่วนเห็นพระพุทธเจ่ยวันนีนเห็นคนนี้คนพิจิณ่ามันเป็นยั้งแล้วมันยังทุกข์มันโมูหเท่านั่นแล้ว มันมูตอนปลายสาเหตุมันคือควมหลงเห็นมูตัวมูต้นปลายสาเหตุมันเกิดควมอยากเสียนเกิดตันหาจะสางเสมอมูไถ่ถืนทุบกระเดิดกชิ้นมาจะเสียแนวของเอาเพื่นมาร่วมกันจีดไม่ไหวใส่โบไห้มันมีห่อนเกิดที่ไหดมันจะเป็นไฟกิจากเสีนแล้วันนี้คือตัวสมูไถ่ขันดูซิ้งทั้งหลายแล้านี้แหละมันเกิดชิ้เกิดวันี้ ข้ามันเกิดบนนี้เด็๋ย่อหน่ายพา ก, กันเตรียมตัวไว้พระพุทธเจา้าของเราทนายเตรียมตัวไว้โอตะฮวงยังมากไม่หลอกเพ่งเสพพุ่นละเพ่งเสพขั ม, มันนี้โลขั้ว ม, มันนี้ไพ่มีพระารนาพัทยโยโหตูพระพุทธเจ้าบนสอนมีพระนาัโยโหตูให้เป็นปัจจัยต่อพนิพาน ขั time, temples, can, peace, dels, forward, kinda, ้นเป็ี่ยนพัะต่อพระนิพพานเพ่งเสบบนมันหว่างทิ่งเสบนมันสุดทิ่งเสบนมันเบิดทิ่งเพ่งแต่บนมันมีหีดเดวเพ่งสบนทุกบนสูบนันหว่างเพ่งเบบ่างเนี่ยทิ้งที่ตัวมีเล่ามีเขามีตัวมีตนนั่นแหละมันทิ้งเขาั้เป็น่ัจจัยใให้ท่านก็ขอเป็ี่ยนพระใต่อพระนิพพานลัคนาสินจะเป็นพระต่อพระนิพพานตังเจตจะเปลนเจอพระนิพพาน ท่านยังแกนขอให้เป็นปัจจัยต่อพระนิพพานหังว่าไปเพ่งแต่พระนิพพานไมอเหาเพ่งว่าเล่าเพ่งว่าเขาเพ่งุบต้านอยู่บเซาเจืเอล่ำมันว่าเป็นปจัจจัยสิล่ะอือใครไม่พยายามกันเขามาเหตุแห่เหากันว่าของเขาเห่าเออ ม, มันบเมนต์ของเขาหรอกเมนใจมันเสวยาเมีนอยู่กับคมมันปะไว้เต็มตัวคือกันเนี่ยเล็กหน่อยมันยานเีม่มันยานเอาไปเอามาพอเมยกับยานนําหลอก ไปย่านคือเ็กน่อยมันีบนเพิงบอย่านมันยังพออยู่นี่บียนมันดอกมันมีผีดอกมมีนันี่ดอกแพ่อขยานด้กันน่ะห่างฟ้ามันนอยนี่่อยไมันย่านมันกระทุนเนวมนด้วยล่ะผีุพกันสันกันเป็นเลนถึงกุพมันีนอยู่เยหวยมีคิด่เป็นไปเพห่งมันมไมันกับเป็นซนนันดกวดวัดันเออมยนอยู่างบมนดอก สอนอยู่ทางหน้ามันพูนเฮ้าหนังนค้งเฮ้าตัวมันโมเมนมันกับข้อใจโมเมนอยู่กับพื้นมันไปยังวะนว่มันไหลไปเหนือเหนือน้มคุณยังวะมันท่วนน้ำไว้ยังวาท้วงหัวใจเฮ้านี่แหละมุนอืมท่วงท่วหัวใจเฮ้านี่แหละวาทุนแล้วนมันไหนมันมีภูเบงจะเหี่มีภูผ่าวาดมอวันนี้พระน่ะพระจะโยโหตูวนน่ะว่าต้องเพ่งยังหรอกว่าต้องปารนายังใดน่น เพ่งเทพนิพานส่วนพบส่วนศาส่วนบุญกุศลทั้งหลายในโลกทีวิสัยเนี่ยมันได้เองมานหนักมันโมโเถืงผุนนะคือการก้าวไสหวงวงล่ะคันมโนสือรังกองมันกิดตัวเกิดคิดิ้นไมันไกลไปทางไหนหรอกสั่งบุญสั่งกุศลเป็ป่าชนาเป็นพ้มย่อมยากเป็นนั่นป็นี้ว่ป่าชนาหลายหรอกเพ่งเทพริพานคนโนดหอกเข้า วังงดวังสิ่งวังสงบระงับเมนมันจบว่าสิมันก็ีหัวเ่ามาแล้ววต้องปรารถนามันหรอกปรารถนาหัวอันนี้ก็คือการทันใดพวกพวกาติาทั้งหลายวเข้าทั้งหลายหวงอะไรหลายได้กันจากกันไปกันตายกันไหายอัจะริว่านี่ยยุยมันงูนะจะหาได้นะมันบุไปทางไดนหรอกเออมันสิไปทางได ขันมันยังม SI ีภพวิชาด้วยเมื่อขมาของเก่ามันหันลังมันไ่ไปหรอกขันพ่อเมียเดียงว่าอยู่มันไปกรุงเทพผลมันสีขึ้นหอดพ่อเมียื่นบ่มีรอกเมื่อขึ้นหดพอหอดเม้าแล้วขันมากสมาหาพ่อหาเมห้าเนี้วรมหาเลื่อนหน้าเนันไปอีกขึ้นมอหอดเมืองลขึ้นมอหดพออดมันีืหดานผื่นบเนี่ยของมันยังอยู่นเมือว่าจไขันเมื่อตุมหายใจเป็นไม่ตายไปศาสตรใดาสตรใดกจัง ยึบยิ้นานมันเกาะอยู่หันมันก็จมเกาะอยู่บนเกาบนย่านมันหลายโพดเลยสมาวานี่หาน้ไหลเอาพิคิดพึ่งรู้สัตย์เตะกะมังปสสีคย่อนจี่สัต์เดตอีางกลางกันวไปทางไหนหรอกอนไปวนมาอยู่หนวขันมีพมีาแต่น่ะมันจะเปลี่ยนหนาเปลี่ยนามานั้นแล้วเาฮูจักไปทางไหนใาาสงสารพวไปทางไหนหรอกอยู่หันแล้ว อืมซับไปซับมาอยู่หันแนมันว่าไปทางไหนหรอกอืมือกันก็มันห่วงหันแล้วสอยเส้นังจองับบูสือลุยลงอุตุกิินเน่ตุ้มหันแล้วมันว่าไปทางไหนหรอกมันอยู่หันแล้วอืมยังว่าภาษาสดาคนสน่บมีพระนภปัจโยโหตุคนใดให้เพ่งไปนิพ่านดูินั่นแหละส่วนใหญ่มันงเอาให้มันได้พรยิยาให้มันได้บูืลงองริโรงเินหันและมันว่ไปทางหนหรอก มันเขียวม่นนี่แหละโมไปทั้งหลนี่แหละหามาเปลี่ยนควบรู like. cool. ้ซึกอย่างนี่ถ่ามันเปลี่ยนควมรู้ซึกอย่างนี่สบายสบายหลายเปลี่ยนซะหามันรู้ซะหายมันเห็นซะนี่คือท่อมที่คนดูคงเห็นถ้ามันรู้นี่เห็นนี่มันจิปใจนี่สิ้นเกิดนี่ท่อมเกิดนี่ตัวหนึ่งตัวมันไม่เอื่องใจอย่างไรมั้งนี่ให้เราพิจานณามาทําควบรู้ซึกไหมถามมาท่อมควมรู้ซึกไหมก็เห็นท้ํมว่าง ใบไม่ต้นไม้มันแก่มันแห้งมันก็โดนนึไปจักราเรอืนนั่นมันโดนอย่างกัปงเขินมากจักราเรียนไปหายนะใบไม่โดนมันสีทุ่นหายบ่สีไปหัวนะใบไม่มันพงเขินมันสีทนเป็นบ้าบ่มันถึงเป็นอยู่เพราะกีแล้วมุ่งแต่เราเคลือนได้ยังสีมันก็สบายเป็นธรรมดาอืพบนี่คือกันพบหนาคือกันพบไรคือกันมันเป็นยังที่ อือันนี้หลูกเมื่อหากว่าเล่าศึกษาธรรมะหลูกแจงเปลี่ยนข้อมูลศึกได้จงิี่มันก็สบายอืมเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันกลับมาจนได้เรต้องสงสัยมันอแต่ว่าสําคัญข้อสําคัญก็คือคือเร า, เา ม, เ ม, มีชีวิตอยู่เนี่ยสําคัญหลายอสําคัญแต่แในเมื่อไม่ีชีวิตอยู่ปัจจุปนธาธรรมาปัจจุบันเท่านี้อยู่เดียวนี้แล้ว ผลมันก็นอยู่เดียวนี้ใครเกิดมาเป็นยังไงสุมืน่นนี่แหละคือผลมัน่นะคือผลนี้ทุกอย่างไรมีทุกอย่างไรเป็นยังปัจจุบันนี่แหละคือผลมันมันเกิดมาจากอดีตอยู่แล้วเมือ่อเขามีผลแล้วเขาที่นี่ปัญญาจาังอิจต่อไปอนาคตมันจิตเป็นเหตุต่ออนาคตดอิจตอไปนี่คำว่าสร้างเหตุในปัจจุบันนี่อีกนอนาคตดก็ก็เป็นผลต่อไปชื่อกัน พบนี่คือการพบหนาคือกันแห่พรกันข่าใจอย่างกาการฟั้งธรรมะให้มาแจกความสงสัยมาแจกความเห็นมาแจกความเป็นไปอย่า ง, ส, ง, ส, งสิมันกับสีมดสงสัยเมื่อมดสงสัยมันสีมดถุกมันจะไปสั่งคดีปัญหาขึ้นมาแล้วคันนี้อีกอย่งเกิดขึ้นว่าไายในไายในตัวเจ้าของหาือไพ่ในยิบเจ้าของไพ่ในใจเจ้าของมันจะเกิอดอารมณ์สีมดสอบใจขึ้นมา เข้ากับอารทุกพอเรารููจักเปลี่ยนแปลงของมันมันจะเกิดอารมณ์สี่สอบใจเห็นว่าเข้ากับโมม่วเมาเพราะเราดูดจักทางสิรบายมันออกตามสมควรของมันเอาไว้แต่กับคนนี้พอดีนี่คือผู้ผรู้จักเปลี่ยนแปลงดูดจักแก่ไขคือธรรมะดูดจักเปลี่ยนอารมณ์ทุขอารมณ์ทุกดูดจัก๊กภายในกับดููจั ก, ก, จกอารมณ์ภายนอก กบฏยึด ท, ทางนอกกับบฏยิด ท, ทางในเมืองทางใ น, นกับทางนอกก็คือการมัดมได้แปกกันยั่งบานมันก็คือกันที่นี่เท้าสอยู่ไปโดยตามธรรมชาติคือข่วมสงบอืนม้นถูกนินท่าเท้ากับสงบอยู่เแม้นถูกเสนอเสือกเท้ากับสงบอยู่เอาละบานเนี่ยทำมันเป็นยังไงบ้าดิไปน้ำาป ล, ละบานเนีืมเป็นอิสระรูเท่า จริงทั้งสองทางเดียวก็เข้ากับสบายบริเวะทางนั้นบริเวะทางนี้นี่คือ ว, ว่าความมีซุปนี่คือ ว, ว่าความสงบอยู่เหนือสิ่ง ใ, ใดทั้งหลายอยู่เหนือดีเหนือชัว่วอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเนนห น, อเอเนือตายนั่นเป็นคนเกิดมาในโลกอยู่นอกโลกอยู่เหนือโลกรูแจ้งโลกนี่รู้อะไรจังสี่พระศาสนาสอนอย่างนี้ ว่ า, าศาสนาท่านมุงยางนี่ม่นเป็นมุ่งไห้คนทุกมุ่งให้คนมีข้อมสงบมุ่งไอ้ที่ข้อมดูเท่าไอเกิดปัญญานี่ดียกว่าธรรมะให้รู้จักธรรมชาติเพรามันเป็นอย่างนี้่้ายังมันมีอยู่ในโลกมันเกิเป็นธรรมชาติอยู่ยังที่โมต้องสงสัยดอกมันอยู่บนไหนมันก็เกี่ยวมาบนหันนะมันบ่ไปทางไหนเนาะอย่าเชื่ประกันสงสยัยมันเลือกมุนขอสําคัญในมือมีชีวิตอยู่นี่นะสําคัญมากที่สุดเดี๋ยวให้สั่ง ท่ำจิตใจให้สม่ำเสมอได้แบ่งไว้แยกไว้เป็นส่วนไว้ถึงข้าวมันเป็นมา้าเห่ากัแบ่งให้เขาเลนนยส่วนนั้นยกทหาส่วนนี้ยกสบายคือกันเขาแบ่งของมาให้ลูกเขาหลยคนนั้นให้ส่วนนั่นคนนี้ให้ส่วนนี้ให้ส่วนในส่วนในส่วนในส่วนในเมื่ออยาเาสบายให้เขาไว้แล้วมเมนเทอสิ่วท่มหายใจเหมือนในกะแล้วเดี๋คือมันลแล้วเดี๋ยวของแล้ว มีภาษาสดาราสอนเ่ยสาห้มันหนุ่จักตายก่อนตายหายต า, ายซะก่อนตายคุณว่าจยงไรหมันเดียวซะก่อนแล้วีว๋ยวมันก็จงสบายหามันแตกก่อนแตกหายมันหมดก่อนหมดซะมันจะสบายนี่ภาษาสดามุ่งสอนอย่างนี้สอนธรรมะถึงมันฟั่งไปหอยกับพันกันกระจัางหาบุญดูเรื่องทีทั้งหลายเรานีก่กจะเจทุกบุร สงบบุหรีบุเห็นธรรมะมเห็นธรรมะที่พระศ า, าสดาสอนไงสิให้รู้เรื่องไงสิรู้จักแจอไข้มั น, ยนอย่ า, า, า, ยางนี้เรียว่าธรรมะควมรู้ซึกอย่างนี้แหละจะบันเทาควบคลุกทั้งหลายมันเทาความเหลือดรอนทั้งหลายผู้ไรมีประโยชน์พยายามมีความเพียรมีความอดทนอ ม, มีความฝึกฝนมีความเพ็งมีความจเจริญให้มากท่ามไมนั้นมากจเจริญให้มาก พูนั่นแหละสีนี้ขัมสงบพูนั่นเนี่ยสีนี้ขัมวระงับอยู่ในสอสารที่แอนนี่กับโบทุกแม่นสีนุ่มกับโบทุกแม่นสีเทากับโทุกแม่นสีไหนกับโบีขั้มทุกทํางานประเิทธิ์ไดกับโบทุกเพราะใจถึงสีมันหมดทุกมันถึงสีมันสงบแล้วมันบม่มีทุกมันเป็นเรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องของธรรมาชาติทีธรร ม, าามรดามีภาษาจะได้เปรียควมขั้วศึกยางนี่เดียวก็เป็นธรรมะเมื่อจิตใจเป็นธรรมะ เป็นส่วนธรรมะกัเขาอยูใ่ในใจของเขาเขา ừ, มื่อใจเป็นอย่างนี้ธรรมะก็เป็นอย่างนั้นเมือธรรมะจนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นยูีส่สคือนามกับใบบัวใบบัวอยู่กับหนามหนามอยู่กับใบบัวถูกกัยุมงเร่ื่อมสาบกันนั่นเป็นเรื่องจริจริ ừ, อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติมีความดุจหนึงกงิตถินมากมาย ừ, ธรรมะทั้งหลายเรานี่เป็นปัจจัดต่าง เอาหายบ่ได้เอาหายบ่เป็นเห็นจะเพลจะของอืมฉะนั้นถึงว่ายากก็เป็นของยากถึงว่าง่ายก็เป็นของง่ายถ้าพูดเอาไปพี่น่าเห็นหยุดเดียวเป็นต้นจะเห็นในหลายจุดเห็นถูกหยุดอืเห็นพวกเกิดอันเดียวก็เชื่ออันเดียวเห็นพวกตายอันเดียวก็เห็นมุดมันเป็นเรื่องของยันสันคือความจริงอันนี้แหละเป็ี่ยนศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่พระศาสดาสั่งสอนท่านมุ่งประโยชน์แเจริ์ทั้งหลาย ไอ้นี่ค่วมผลทุกถึงค่วมสงบระงับอโมอเมนต์าย ไ, ไปแล้วคนคนเดียวนี้แล้วคนในปัจจุบันนี้คนในค่วมรู้สึกนึกคิดอันนี้อืคนในชีวิตอันนี้คนในค่วมรู้สึกอันนี้ที่เกิ ด, ดขึ้ในจิตของเรานี้อืมนั่งก็เป็นสุข <c oughs> นอนก็เป็นสุขอยู่จิตใดก็เป็นสุขเป็นคนที่ปราศ จ, จากโทษเป็นอิสระใจสว่างสไว้ใจสงบระงับ ออืมันเป็นยังไี่้าเป็นพระทิตย์ระฉันมันออกจากทีเมฆหมดก้มเก่าหมดก้มมองนั่นคู่มี่คิดใจอันจะเสือกสุขสงสารเดธรรมะของพระโรมัสซาต า, า, าของเราอืออันนี้หลยเอาไปพิจารณาอยากยมเราทั้งหลายเอาพิจารณาให้มันเห็นให้มันเป็นออืมีความทสกขไปพิจารณาให้มันวันเท่าสุขลายให้มันหน่อยต้องไปหน่อยมันหมด อ, อันนี้สั่งเอาไปเอามัน เอาประกันกินกิจหน้าประกันไปจะเดินให้มันนี่ให้มันเป็นเป็นในคิดแต่ต้นดานของตนทุนทกคนเนี่ย ว, วาย่างเลย